พระธรรมเทสนาหมโหสถจารดจอมปราถแห่งมิถิลาภูติสิบสองฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปาหุชาลาเรียบเรียงใหม่จากต้นจับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมพูพเปลียนทพุกประโยคน์ักทำเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไห้อะโม ตาจาภาการโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอทโควิเตหราชาโปทิสัตตังพุทธิจตติ สาธาวดุราสปุริาตั้งหลตั้งนิ่งใจใหญ่น้อยใจใฝ่ห้อยตั้งบุญเอต้านุนบกขาดคือใส่บาทเตตานสินเจียงคานห้าแปดใดกดแขดกับตัวบ่โอมอมัวพระมาตคือบ่อเว้นขาดภาวนา ปะกันมาแต่เจ้าดังอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจําติดต่อตามบาทขอบาทีวาทโควิเทหราชาดังนี้เป็นต้นอทข้อในกาละนันใส่เต้าหยดใหญ่วิเทหราชาจริงเขียนตจ่าต้านต่อซึ่งเจ้าโนมุนี ว่าลางคนมีหมากเต้าบ่อเยี้ยบาปเศร้ามัวดำย้อนมีเงินคำบ่อไรของเครื่องใจนำนาลางคนดันนาละบาปอันกายาบตารนย้อนกว่าคนใหญ่น้อยจักเก่าทอยดินตา ลางพ่องนันนาะหนีหา่างบ่อไฟอ้างกุศลย้อนตัวตนนั่นใสหากใบไรพัฒยาสวนเจ้านี่นาะองอาจจมชาลาดเหลือหลายแม่นใจหม ย, ยไข่ใดยังเมืองน้อยใหญ่นาน า, นาเป็นเอก า, าจายยอด au, เงาผาแผ่นดาวจุมปู ภาพสถทูน้อยใหญ่ที่อันยอมได้ดังใจเป็นสันใด้ดันเล่าตัวแห่งเจ้าคำใจจริงบ่หมายพามาั่งเป็นเจ้าจ้างแตนเราคือคนเขาไกลไกลเลือเราไวด้ดานไปเจ้าก็ไขตอบเราว่าข้าแด่เต้าเจ้าปารา คนมีผาดญานันใส่ยอมเว้นบาปไปอาทมบ่อกาตมบาปกาคาเจ้าฝ่าเอาเมืองือต่านเคืองเดือดร้อนเอาสุขคอนยังตนเว้นตุกจนกัญยากรือลำบากอันใดปกติวิสัยนักผาดยอมบ่เว้นขาดกองทม เจ้ห่อคำตอบถอยว่ายามตกถอยเครื่องกาณาถากันอยากตกลำบากน่านำกระตากรรมบาปกาอันถอยจ่านาดาไปลุนมามังเต้าปนโศกเศร้าเครื่องขีหยดสักมีมากวางก้อยก่อสร้างตั้งทำ เปือล้างกำบาศายังจักดีเล่าสันใดเจ้าก็ใครตอบท้อยว่าคาเดต้าโอนยอดซอยปาราทามาดานักผาดผู้ชาลาดหันไกอาสะไหลเกาไม่ย่อมบ่ไฟผ้าทรงหักกิ่งลงห้องนั่งยามหยบยังเศร้า ส่วนคนปาละบาบใบหักกิ่งไม้บางตนชื่อว่าเป็นคนมักบาปใจหึกหยาบตะรุนย่อมลืมคุณมิดแก้วอันมีหลวงแลอ่อนได้ตนส่วนการฆ่าคนนั่นเล่าเป็นบาปมักเต้านำนาผู้มีพระญาแจ้งไขย่อมบอกไฟคันหนิงไม้ เต้าบุญภายเจ้าฝ้าฮื้อยดแก่ค้าดานำตั้งเงินคำบาไตตั้งคาใจยิงใจคาจิงบ่อหม้ผ้าม่างค า, า, าเจ้าจังเอาเมืองตนบุญเรืองดมดาวจักสอนเต้าเจ้าห่อคำจรงใครำเก่าวจีฮื้อแจ้งที่หันใสว่าคนผู้ใดเก่าอู ือได้หัวกองดียามปัน่นหามีแก่ยาผู้ได้หากไรปัน่นได้หันแจ้งที่สุดเสียงตีสังกาคนนั้น đã, นับแล้วว่าเป็นมิดแก้วเตรียมตนบอกกวรคนผู้ฉลาดลาละขาดไม่ที่กวรผ่านี้ไฟห้อย อย่าเฮือตกถอยตารุนนอตะสะปนน้อยนาจักสอนเต้าที่ราดเยาาไปจริงจักใครบอกเล่าว่า้าแดเต้าเจ้าผู้บานกําโบราณว่าไว้ตั้งแต่ไทยเป็นมายว่ากะฮัต ห, หลายขี้ข้านใจย่อนยานกว่าการสมณนาจา์เจ้าเจ้าศีลมนเศร้าเสียสี คนพ่านยาดีองอ์อาจจบชาลาดเลือลายบ่กึดไม้หันนตดมักคิวโคตเครื่องกาเป็นพ่านยาภาพดาวเต่าฟังคำกล่าวจะไขบอกข้านิ่งในสั้นทีฮือแม่นตีตามทารีบกระตําใส่ตอดอันไร่โหดสามานัน คนสีผา ก, กานนี่ใสใจบ่ได้ดีๆกันหนอมูนี้ก่าวแล้วเต้า ต, ต, อตอนแก้ววิเทหราชกา็คือหนอพุทธาตนองอาจคือเจ้าน้อยนาสมาโหสดกุ ม, มารขึ้นนั่งปั่นล่างกายสูงใหญ่ ตนตาาไทยลงมานั่งอาสนะอันต่ำย้อนไขหูพัมหันใสขอเจ้าไขเกาวจีฮือแจ้งขีปัญหาว่าเตหาวาบุญใหญ่ตนอยู่ไปชัดคำมาไขคำถามต่อยังสี่ข้อปัญหาขอเจ้าจากาเกาจีฮือแปนตีตามมี นอบูนียอดซอยจริงตอบถอยกำไปว่าปัญหาใดนั่นเล่าอันเตว่าดาเจ้าบุญดาตนรักษาอยู่ไปยังชัดใหญ่คำแดงเทวดาแฝงปากวางเตวดาอยู่สังสวรจักร้อมกันบ่น้อยมากกว่าร้อยปัญหาข้าอาจจากาวแก คือแจ้งแนบัดเดียวเจ้าจะเลียวทำเล่าวาเตวดาเจ้าบุญดาตนรักษาชัดใหญ่ทมเต้าไทยสันได้เจ้าหอใจวิเตหราชก่อโอกาสไขจ า, าวาเตวดาบุญใหญต่ตนอยู่ไปชัดคำมาไขกำลับรี บอแจ้งที่สังกาว่าคนพวกหนึ่งนั้นนาตีต่อยเนี่ยบ่อน้อยไหลพากการป้่อยเป็นที่เจยบ้านจมจื่นแก่คนอื่นน้ำจุงไข่กั๊มก่าวแก่ว่าได้แก่คนได้เจ้าใส่ใจบุญใหญ่ฟังเสียงไข่สุดปลายก็หันลหลแจ้งที่บ่มีที่สังกา ว่าได้แก่เด็กขาอ่อนน้อยพงอ่อนอ้อยกินนมยมแม่จมอุ้มกอดยังลูกหยอดสิเนหาส่วนเด็กขาอ่อนน้อยก็เอามือต่อยบุปตีอย่าตื่นขี้บอเหยีดแม่บอเดือดเครื่องกาซัำปียะจ้องหอยยังลูกน้อยเลือใจและนะ ันนอบุทธาตนอง์อาจแก่เสียงขาดปัญหาเือ่าญายศใหญ่หูแจง้งไข่หอระไทยดังอาติดใสมาส่องเอแจง้งไข่หองโลกาอันตีวาดาบุญใหญ่ตนอยู่ไปชัดคำได้ยินคำเก่าแก่อันเบนแต่ตามราย แหงตนคำใจหนุ่มนาวดอพระเจ้าหยาตสะปนก็สําแดงตนบ่จ้าหันตอนาบเดียวแล้วจะาเลีวตานตอว่าเจ้านอบุญมีครว่าตีกาวแกถูกแม่นแต่สัจจังแล้วภายยังเข้าตอกตั้งดวงดอกนา ตกลงมาบากเต้าเพื่อปูจาเจ้าบุญภายแล้วก็หายหีกว่าไปต่อนาสับปัญ <c oughs> เจ้าหอจันวิเตหาราชก็ปูจาเจ้าน้อยนาดนำนาแล้วทาปัญหาติดต่ออันเป็นข้อทัดสอง ว่าเจ้าจุงลองกล่าวจี้ฮือแจ้งทีขีญาตามตีว่าดาบุญใหญ่ใดทำไว้เป็นบายว่าคนยิงใจโลกลาผู้ดาวาจำนีจาบอดีแต่ปากซ้ำหักมาเกเหลือใจจักเป็นภัยนั่นเล่าจุงบอกเล่าใครมา นอปุทาบุญใหญ่ก่อหูได้สปันดังพระจันทร์สองฝ้าวันขึ้นสิบห้าดีลีจิงไขวาตีตอบเราว่าข้าแด่เต้าเจ้าปา ร, ราคือสองข้าป่อแม่ได้ก่าวแก่ไขคำเรือครับจำลูกเต้าอายุแปดเก้าวัสา จากเกหาที่อยู่ออกไปสู่แดนไกลคือจำไปส่อไสยังพักไม่คือวันหรือจำมันไปกาดซื้อของส้มฝาาขมหวาน <c oughs> ต้องอาหารเลี้ยงใสเรือลูกไม้หัวมันว่ามึงจุงไปปั้นอย่าจะรีบอ่อยนาขึ้นมา สว่วนบุตรอ่อนน้อยได้ยินทอยจากใครก่อเรียวไว้ก็พากออกไปจากเกหาหันเด็กข่าเจ้าหมูพงเล่นอยู่นานำลวดลืมกำพ่อแม่อันสั่งแกตนมาแหว่เขาหาเจ้าหมูหมวนเล่นอยู่จอมกัน ยามตะวันคำลาจริงอายนาคืนมาตั้งสองขาพ่อแม่หันหลูกแต่แดนไกลบ่เมือนใจสั่งไหวบ่หันได้สั่งมาจากกหาแต่เจ้าป่อยปอกเตายามแรงตัวดำแดงย้อนแดดฝุ่นติดแปดกาญาก่อเครื่องกาโคตรกา เรียกพี่ฮาพี่หงพี่ปงดงป่าเสามาเอาลูกเตา่าตนไปริรำไรแจงป้อยดาลูกน้อยนาน า, นาเอาเสมาบจา่จ้าหมายเขียนลูกกาในตนลูกเรร้นแน่นกว่าไปลีนาแดนไก่ตาวันใสตกต่ำลวดมืดค่ำจนตา ตั้งสองขาปอแม่ใจพัดแผ่เวิน้นโะหาลูกตนจูบ่บอลกันใดลูกน้อยอ่อนขึ้นมาซ้ำคุณนาะลูกเตา้ายิ่นกว่าเก่าเหลือลายเตว่าด้าหมายดังนี้จริงเก่าที่เป็นปัญหาว่าผู้ใครจา่ายับจ่าร้องเอินดาจำนี้ จะบอดีแต่ปากซ้ำหักมากเหลือใจและนาเทวดาบุญใหญ่อันอยู่ไปชัดคำใดยินคำเจ้าเกา่า <c oughs> ใจจืนยอ่อเจบ้านเฮอสาธุการลืมเล่าว่าแม่นดังคำเจ้าดีดีแล้วภายดวงดีดอกไม้ลงมาตีไกหนาหนำ เจ้าหอกคำบิเตหาราดก็ปูจาเจ้าน้อยนาสันเดียวแล้วรีบเร็ยวทมต่อปัญหาข้อทวนซ้มว่าดุราใจารำดมนาวเตวดาเจ้าบุญนาถามปัญหาลับลี่บ่อแจ้งขีหันใสว่าพวกหนึ่งใครเกาวท้อย ด้วยกคำถอยมุสาส้ำหักนํานากว่าเก่าได้แก่ภัเล่าไขว่านอพุทธาบุญใหญ่ก็่อได้บัดเดียวจริงจะเลี้ยวตอบเล่าว่าคาแด่เจ้าเนื้อหัวคือว่าเมียและผัวตั้งกู่ยามเมื่ออยู่หอในจ่าเยาะยหญ่ต่อถอยด้วยกําถอยมุสา ว่าพี่นี่นาหาฮกรูว่าน้องมีจู้ลายใจเอาใจใกจากพี่จุงนี่จากมีบัดเดีย ว, มวเมียก่อเรีวเก่าว่าน้องก็หูเหมือนกันว่าพี่ใจวันจองหอยยังสาวอ่อนน้อยโซภากันบ่อปิญญาตัวน้อง จุงนี่จากห้องไปปันต่างจากกันต่อถอยมีบออ่โน่นนาหน้าซ้ำปิญามาเตายิ่งกว่าเก่าเดิมอ่อนและนะเทวาดาบุญกวางฟังเจ้าอ้างจากใครยิ้นวิ จ, จมชมจื่นปีที่ตื่นเหลือลายก็อผ้าผายดอกไม้ลงมาตีไก่ปูจ่จ้า เจ้าปา ร, ราธิราชก็ปูชาเจ้าน้อยนาศเมือกันแล้วเร็วปันถามที่ยังปัญหาท่วนสีทัดไปว่าเตว่าดาไขาต้านต่อามเป็นข้อปัญหาว่าพวกหนึ่งนั้นนาต่างนาเอาของก่านีไกตั้งปัจใจเข้านำเจ้าของซ้ำยินดีไข้เฮเอาหนีจใจ คือหากใดคนใดเจ้าจอมใจยอดซอยก็กล่าวถอยกำไบวาคาแด่เจ้าห่อใจยอดแยาตนภาดาวธานีคือเจียงจีนมเทาหรือเจ้าเจ้าสมณะพรามทารงศิลงามวิเศษมาสูเขตเกหาแห่งสัทธาน้อยใหญ่ผูมักไฟเตตาน กันหันสมาณาจารย์มวลหมูเข้ามาสู่เฮือนตนย่อมเรร่นยกยืนด้วยใจจืนเจยบาน <c oughs> ยังพิกขาหารเขา้าวนำวัดตัวพรมปัจใจข้านิงไหลืมเล่าไข่เฮือตานเจ้าไผยพันมาตั้งวันจะาใจ เพื่อจากใดก็ตามบุญและนาเตวาดาบุญกว้างฟังเจ้าอ้างไข่กัมก็เอาข้าอุปคำอันใหญ่ <c oughs> ใส่แก้วไข่เจ็ดพักการปูจา้าดอโปที่านบอจ่าแล้วภนะักหน้าหายไปส่วนเจ้าหอใจวิเตหาราชก็ปูจ้าเจ้าหน่อยนาบุญมี คือเป็นเสนาะบอดีดังเก่าของอื่นเน ห, นนหล่านำนาคนหรือซาเหล่าสาไปไข่าดาวธานีก็มีหันและนะ <c oughs> จัตาโรปันดีตาส่วนสีนักพาดก่อนเก่ามีเศนะกะเทาเป็นพาทานหันดอกโปที่านตีไว มีสักใหญ่เหลือหลายคาหญิงใจหลายแหล่เขาคงแพร่ทมนาเขาเครื่องกาต่ำก้อยคอยเจ้ายอดซอยบุญมีต่างไขว่ตีก้าูยอนไขร้หูใบว่าเราตั้งหลมวลหมู่กวนไปสู่เฮือนมันแสงไข้ปันจุล่อทมเป็นข้อปัญหา ว่ากำรหัสนีนาควรอือแก่ผู้คนใดกันมั่นไขเก่าแก่ว่าบอกบอแก่คนใดเราจักไวรีเผาไปไว้เต้าหอกคำและอ่อไขคำสนซอทมปานปอลวงลายเฮือเต้าบุญไผยยดใหญ่ได้โคดรไม่เครื่องขี้ จำมันนี่ภากนาหรือว่าคามันตายเราตั้งหลายนี่ใส่เตียงจักใดเจบ้านสีอาจารย์บาปเ้าตัางเกิดเล่าหันตัน <c oughs> ก็อปะกันบวนหมเข้าไปสู่เกฮาแห่งนอปุถัาน้อยนาดแล้วใครถอยวัดว่าที่วาดดุราเสนาบอดีหนุ่มเนา ยดมาเต้าเหลือลายเกิดเป็นคนใจวุวนหมู่กวนตั้งอยู่ทำได้คือเอาใจนองไว้ในทำกุญญใหญ่ได้จ้าเจ้าก็จะก่าวจี้หฮือแจ้งทีตามร้ายว่าเกิดเป็นคนใจจู่ผู้เือมีสัจจะอยู่ในตนจริงเป็นคนผะเสด <c ười> คือลำเลอเจียงข้านสี่อาจารย์ใจถอยก็ออกต่อถอยว่าตีว่าเมื่อสัจจะมีมันแก่นตั้งอยู่แดนในใจกวนเยียสันได้แถมเล่าจริงแม่นแบบเบากองทาเจ้าบุญํำหยดซอยก็ออกตอบถอยกำดี ว่าเมื่อสัตว์จะมีตั้งมันบ่อได้วันเฟื่อนไหวอย่ามีใจสะต้านหรือขี้ข้านกลัวการหึเงินคำคานเครื่องใจบังเกิดใดมีมา สิษยอาจารย์จะทำเล่าว่าเมื่อมุนบังเต้าเรือลายกวรคงควายก่อสร้างเรือไฟอังอันใดเจ้าก็ใครก่าวจี้หือแจ้งที่ตามีว่าเป็นดีหลายแหลเข้าของแพทมทองกวรทรีปองกึดสอดคนิงรอดอุบายเมื่อหันลหลแจ้งทีก็คกวรหุมหีบังอํา บอกกู้วนไข่กำเกาหือ้อแกผู้คนได้กันเจ้าไข่เบียนจอดสีนักผาดยอดสาวบา้านแซงจาวันต่อถอยมีบ่น้อยนานาแลออก็ลาลีภาวไปสู่ดาวหอกคำยอมือตั้มต่างเกาใบเต่าเจ้าผาปุรีว่าบัตนี้เสนาบอดียอดใหญ่ จากเป็นเต่าไทยแตนเมืองขอตนบุญเรื่องที่ราชยาพามาตลาศาเจ้าประราชที่ราชฟังสีนักพาธทุนสารจิงมีราชาองค์การตอบเรา ว่ามันเป็นลูกเต่าตนเราย่อมบ่งเงี่ยเบาเอาง่ายคือบ่เนี่ยไรผิดธรรมส่ขไข่กรก๊มเกาจี้บ่เมนตีดีลีกันเจ้าปุริที่ราดเกาเสียงขาดสุดปลายอาจารย์ลหลตั้งสี่ก่อเกาจี้ทุนสารว่ากันตนผู้บานเจ้าฟ้า ก่อเจ้ยขาตั้งลายอันมาทวาวยขับไหมหื้อหูไข่ตามมีจุงเรียกเสนาบดีนั่นใส่มานั่งใกล้ถามปัญหาว่ากำรหัดนีนาควรอูอหือแก่ผู้คนใดกันมันมีใจตั้งมันสื่อต่อเจ้าเจ่องจันผู้มี จักไขว่าตีกาวแกว่ากวนบอกแก่คนใดกันมันมีใจกดเลี้ยวบิดเบี้ยงเบี้ยวเสียธรรมก่อจักไข่คำกาวกว่าบอกกวนบอกแก่ผู้คนใดเจ้าหอ่อใจวิเตหาราชฟังศสีนักผาดทุนสารก็มีราจะองค์การตอบเราว่าจะเรียกเจ้าบุญจู มาถามดูหือทีตามกำกล่าวจี้ทุนสารสีอาจารย์บาบเศร้าก่อละเต่าเจ้าบัดเดียวแล้วรีบเร็วขึ้นสู่ยังตี้อยู่ภัยมันและนะโูนาตีว่าเสกันวันลุนมารอดหนอเจา้าหยอดทรงยานตั้งสี่อาจารย์บาบเศร้าก่อไปไว้เต้าเจ้าปารา ตามประกาติมาบาพอพรเมือนเมื่อก่อนวันอ่อนเต้าผู้ทอนบิเตหาราทันนักผาตมาจูจักทมดูฮือทีเอเสียงตีสงสัยจริงจักใครทำเล่าว่าดุรานักพาตหนุ่มเทาตั้งหลายจุมคนใจหลายแหล่ควรบอกกรรมรหัสแก่คนใด จุงจะใครเก่าูฮอเฮาหัวตามทมกันได้ยินรำเต่าเจา้าเสนากะเก่าอาจารย์กอทูลสารขาับไว้ว่าตนเตาาไทยผาปารามีคุณนามากวางบ่ออาจอ้างจากใครเฮอปัจใจเข้านำประตุพัม น, นำ ตั้งเงินคำแผ่นพาแกผู้คาตั้งลายขอตนบุญภาย nh nh ายอดใหญ่ได้ก่าวว้นำตั้งว่ากวรจักวางย้ายแผ่บอกรหัสแกคนใดกันเต้าไข่ก่อนหน้าตัวผู้คาตั้งลายขอจักท้าไวบอกเราแกเต้าเจ้าตามมีเจ้าปุรีที่ราเจ้าภาสัดห่อคำ ก่อไข่ ok ok ma ma ํำบอกเล่าว่าภริยานอนหนาวเร่ารามทรงวัดงามบอกขาดบ่อพามาดมั่วมัวปฏิบัติผัวจุเมือบ่อนยยงเบื่อวางลากาะวรจากเกาอู่ือภริยาโหความไนแลน่ะเสนากาผู้ใบก่อขับไม่ทุนสาวาค่าแดดมะ ฮาราจ้าเจ้าตนเป็นปินน่นเก่ายิงใจอันว่าสหายหน้อยใหญ่บ่ออยู่ไกล้ยามมีบ่อหลีกหนียามไรคำอยู่ไกล้อาสกาก่อควรจากเกา่าฮือสหายฮู้แลยนะ ทัดนันบาบอกจ่าตนเจ้าฟ้าผู้บานก็ถามปรกกุตะอาจารย์ผู้เท่าว่ากวรบอกเล่าปันไยมันก็ไว้น้อมไว้ว่ากาแด่เต้าไทยห่อคำอันว่ากำลับรีกวรบอกแก่ปีเตรียมตาหรือกนิทานน้องซอย ผู้อยู่ถอยเอากำมันเตียงอําเมียดไว้บ่อหอนได้จะใครเฮ่ข้นไก่และไก่ได้หูไข่ขีาข้าเจ้าปาราชญที่ราชก็ถามกามินนักผาดทัดไปมันก่อไว้ก้มเก่าว่าควรบ่อแก่ลูกเต่าเตรียมตนอันเป็นคนฉลาด อยู่ในโอวาตกำสอนบรรบอร้อนเก่าเฮแก่ผู้คนได้เจ้าห่อใจที่รากซ้ำามนักพาเตวินอาจารย์มันทุนสารกมเก่าว่าคาแดดเต้าเจ้าปุริกรรมบอดีมวนหมู่อันมีอยู่ในใจกวนจักไครเก่าแก่บอกแก่แม่เตรียมตน เหตุว่าคนน้อยใหญ่ไว้ใจบ่ได้ดีลีเจ้าปุรีี่ราชก็ทมเจ้าน้อยนาดบุญ น, นำว่ากำบังอำลับดีกวนจักจีจะาไขา หรือกวนนาไปเล่าสู่แก่ผู้ได้จ้านอพุทธานยอดซอยก็ตอบทอยกําไปว่ากําคานิ่งในเกิดไวยังไปได้สมมายคือบอกเถียงไปสุดซอยบอกกวนเ่าวทอยจากใครคนใดได้หูกวนดักอยู่เดียวไดกันสมมัยเกิดไวเมียนพร้อมไขจุพากาน จิงกวนจากคานเก่าหูได้หูจูคนคกันดอทาสะปนบุญใหญ่เก่าวเสียงไว่สุดกรรมเจ้าหอคำบีเตฮาราดรอนไว้มาดปานไฟบีหอระไถ่ตำก้อยบ่อจืนจ้อยเจยบาน เสนากาอาจารย์ผู้เทาก็แลพ่อเจ้าปุริต้าผู้มีที่ราดก็แลพ่อนักพาเสนาก า, ารย์นโปที่ญาณยศใหญ่ก่อหูใดในใจว่าเท่าจังไรสนสอดใดจุลอตนมาตอบปัญหาสองหน้าแห่งเจ้าฟ้าผู้มี เจ้าปูรีหยดหยดได้ดคิวโคดเครื่องกาญ้ำนันนามืดคำตาวันต่ำให้หุ่นนอตาสะปนน้อยนาาก่อเกิดขวาดคนิ่งในว่ากันโยไปเนินเจ้าบุรีบ่ายนาละนีเตียงจากมีภผยใหญ่บังเกิดได้มีมากันพิจารณาเมียนแล้ว เจ้านอแก้วบุญมีก่ออันจุลีก้มเก่าลาเต้าเจ้าบาดเดียวแล้วรีบเรียวใหญ่าบาดลงผาสาตดห่อใจข้าหนิงในลืมเล่าว่าสีเท่าอาจารย์ได้ทุนสารขับไว้ส่งเต้าไทยห่อคำคนหนึ่งว่กควรไข่กำเก่า คือสายฮหวตามมีคนหนึ่งไขว่าตีเก่าว่ากวนฮือปีน้องหูจูอันอันคนหนึ่งว่ากวนไขปั่นบอกเล่าแก่ลูกเต้าเตรียมตนส่วนแถมคนหนึ่งเล่าว่ากวน บ, บอกแม่เจ้าจูพักการ ร้อยสี่อาจารย์ผู้ใบมันเคยใดกตัมมามันจริงจานแห่มันจุงละไววหันตามรายกวนคงควายให้รู้ว่ามีอยู่สันใดเ <c oughs> จ้าเตียวไปตีไกหันทางเข้าใหญ่าหนานำอันคนนำมาไว้ตีจิมไกผังกาปักกะติมาแต่ก่อนเจ้าหน่อยอ่อนเคยหัน ว่ากันเข่ามันตั้งสีลูกจากตีนีลาจากพ ญ, ญายดเงาลงจากดาวรงกันกันผ่ายพันไตเตา่ามารอดทางใส่เข่ายามได้ย่อมจากใครก่ายังยอบอยู่เปิกษานังการ น, นาน้าน้อยใหญ่กันเมียนไข่จูอันอัน จริงป้ากันขึ้นสูญยังที่อยู่เกหาเป็นดังนี่มาจ้าใจบ่เว้นไว้วันไดเจ้าจอมใจยศใหญ่หนอพระติวัยหยอดตาสะปนก็เอือปรีวันตนมากเต้ายกทางใส่เข้าบัดเดียวเจ้าก็เรีอวเข้าซ่อนลี่อยู่บอนไปใน ือใจเตรียมใจมวลหมูไปลี่อยู่ไก่ตาเพื่อรอราอยู่ท่าหื้อสีอาจารย์บาปกามาจูก็มีวันนั้นและนะเนธิตังขีญาสังวันนะนานาวิเศษจาห้องเหตุมะโหสดผูกสิบสองปังเจ้าปองไขรหู้ว่าเขาจักอูสันใด จิงอดใจอยู่เฝ้าในทังใส่เขารอร้าเขาจักมาต้านก่าวคือหูเข่าสันใดจุ่งฟังไปเติมแทงจักหูแจงฝายลุนก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล